มังคลทีปณีแปลโดยอัดภาคที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคาถาแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพ ย, ายดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการมงคลเป็นผู้แสดงอัตแห่งมงคลจุตภาคข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคล ตัประโยคพระธรรมใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการมงคลทองอัตตะแห่งมงคลจุลภาคกษัตรเจ้าข อ, น, อน้อมน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลจุประโยคพระสงฆ์ใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้กระทำอัตตะแห่งมงคลจุลภาคกัปปเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคลจดประโยคขัปปเจ้าได้กระทำความนอบน้อมดีแล้วแด่พระรัตนตรยัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ด้วยประการชนี้ด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นขัปปเจ้าเป็นผู้อย่างอันตรายให้พินาศได้แล้ว จะเลือกสรรถือเอาอัตถอันเป็นสาระในกมัมปีต่างๆนั้นแล้วแสดงอัตตแห่งพระสูตรที่แสดงมงคลอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลทรงแสดงไว้ดีแล้วปรากฏโดยนามว่ามงคลสูตรมีอาจอยายิ่งนักสุภาพและพระสูตรที่ใครๆกล่าวไว้แล้วเพื่อเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ซึ่งมีอัจริยะแปรไปในแสนกฎจักรวาลสุลปาคก่อนท่านทั้งหลายจรงตั้งใจฟังอัตถะแห่งมงคลสูตรนั้นเถิดจบประโยคจบคถาข้อที่สองคาถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นข้อที่สองดำเนินความว่าพระอาจารย์ผู้เมื่อจะสังว น, นาอัตถะแห่งประสูตรกล่าวเหตุเกิดขึ้นแห่งประสูตร ในการกำหนดหนังเล็บพระสูตรก่อนแล้วจึงสังวร น, นาเนื้อความหนังเล็บแห่งพระสูตรนั้นในภายหลังสุลภาคเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรเป็นต้นจะประโยคแต่จริงพระสูตรทั้งหมดมีเหตุเกิดขึ้น4อย่างคือเกิดขึ้นพระอัตยาิยสยของตนเองหนึ่งเกิดขึ้นพระอัตยาิยสยของผู้อื่น เกิดขึ้นเพราะเกิดเรื่องขึ้นหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามหนึ่งจะประโยคไม่น่าเหตุเกิดขึ้นสี่อย่างนั้นพระสูตรทั้งหลายมีทวายตานุปัสนาสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัตยาใสยของตนเองจุลภาคเมตตาสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอัตยาใสยของผู้อื่นจุลภาคอุรักขสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะเกิดเรื่องขึ้น สุรพาคความมิจกสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามจบประโยคบรรดาเหตุเกิดขึ้นเหล่านั้นเหตุเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามท่านประสงค์เอามงคลรสูตรนี้จบประโยคความจริงแม้มงคลรสูตรก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจคำทูลถามนั่นเองข้อที่สในข้อนั้นมีคํากล่าวโดยลําดับดังต่อไปนี้ นางได้สลับมามหาชนในชมบูตรวีปประชุมกันในที่นั้นๆมีประตูเมืองศาลาว่าราชการและที่ประชุมเป็นต้นแพ้ให้เงินและทองแล้วยังกันและกันให้เล่าเรื่องของพวกพาเหรดมีประการต่างๆมีเรื่องนำนางสีดาเป็นต้นจบประโยคเรื่องหนึ่งหนึ่งโดยล่วงไปสี่เดือนจึงจบ จ้ประโยควันหนึ่งเรื่องมงคลได้เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าอะไรหนอแหลเป็นมงคลจุลภาครูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคลจุลภาคเสียงที่ฟังแล้วหรือเป็นมงคลจุลภาคอารมณ์ที่ทราบแล้วหรือเป็นมงคลจุลภาคใครรู้จักมงคลจ้ประโยคหัวข้อที่ทํามมงคล ที่นั้นชายผู้หนึ่งนามว่าทิตามังคาลิกะเอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้จักมงคลจุลปากรูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในโลกจุลปากรูปที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่ารูปที่เห็นแล้วจุลภาคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เห็นนกแอ่นลมบ้างมะตูมอ่อนบ้างหญิงมีคันบ้างพวกเด็กน้อยประดับประดาแล้วบ้าง หม้อน้ำเต็มบ้างปลาตะเพียนสดบ้างมาอาชาไนบ้างรถที่เตียมด้วยมาอาชาไนบ้างโคอุสภะบ้างแม่โคบ้างโคแดงบ้างจุลภาคก็หรือว่าเห็นรูปเห็นป่านนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งจุลภาคนี้เรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลจนประโยค โมฆะสุตตามมงคลชายผู้หนึ่งนามว่าสุตตามังคลิกะฟังคำนังแล้วจึงกล่าวว่าผู้เจริญชื่อว่าจากสูตรนั้นย่อมเห็นรูปสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างจุลภาคพี่ว่ารูปที่จากสูตรนั้นเห็นแล้วจะพึงเป็นมงคลไซจุลภาค ก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดจุดภาคเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นแล้วจึงไม่เป็นมงคลจุดภาคก็เสียงที่ฟังแล้วต่างหากเป็นมงคลจุดภาคเสียงที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าเสียงที่ฟังแล้วจุดภาคคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงว่าจเจริญแล้วบ้าง ว่ากำลังเจริญบ้างว่าเต็มแล้วบ้างว่าขาวบ้างว่าใจดีบ้างว่าสิริบ้างว่าสิริเจริญบ้างว่าวันนี้เลิกดียามดีวันดีมงคลดีหรือได้ยินเสียงเห็นป่า น, นี้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งสุภาพนี้เรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลจะประโยค ข้อมุตตมงคลช่ผู้หนึ่งนามว่ามุตตะบังคลิกะฟังคํานั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญชื่อว่าโสตะนั่นย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างสุภาพพิว่าเสียงที่โสตะนั้นฟังแล้วจะพึงเป็นมงคลใช่สุภาพก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมด จุลภาคเพราะฉะนั้นเสียงที่ฟังแล้วจึงไม่เป็นมงคลจุลภาคก็ อ, อารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลจุลภาคกลิ่นรสและผดทะพะที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วจุลภาคคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ดมกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นดอกปตุมเป็นต้น หรือเกี้ยวไม้ชมรักฟันนันขาวจับต้องปาตพีหรือจับต้องข้าวกล้าอันเขียวสดโคไม่สดเต่าเกียนบรรทุกงาดอกไม้หรือผลไม้รูปไล้ด้วยดินสอพองโดยถูกต้องหรือนุ่งผ้าขาวหรือโพกผ้าขาวจุลภาคก็หรือดมกลิ่นลิ้มรสหรือถูกต้องปุวะเห็นป่านนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแม่อื่น ซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งจุลภาคนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลจะประโยคชายทั้งสามนายนั้นไม่อาจตกลงกันได้จะประโยคฝ่ายบรรดามนุษย์เหล่าอื่นนอกจากสามนายนั้นบางพวกเชื่อคําของชายเหล่านั้นบางพวกไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็เถียงกับพวกที่เชื่อเหล่านั้นจะประโยคพวกที่เชื่อคําของนายทิตามังคลิกะ ก็นึกถึงในวงเล็บนิถังความตกลงใจว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเป็นมงคลจุลภาคพวกที่เชื่อคําของอีกสองนายนอกนี้ก็ถึงความตกลงใจว่าเสียงที่ฟังแล้วเท่านั้นเป็นมงคลจุลภาคอารมณ์ที่ทราบแล้วเท่านั้นเป็นมงคลจบประโยคเรื่องมงคลนี้ปรากฏไปทั่วจุมบุตบีบด้วยประการชนี้จบประโยคจบข้อที่สาม